วันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นอุปนิสัยแห่งภิกษุผู้เป็นบุตรแห่งสกุลรูปนี้พระองค์จึงทรงพันนาคุณแห่งมารดาบิดาด้วยมาตุโปสกสูตรในเวลาที่ภิกษุนั้นมาถึงก็ภิกษุนั้นยืนอยู่ในที่สุดบริษัทสดับธรรมกะถา อ, อันไพเราะจึงรำพึงว่า เราคิดไว้ว่าจักเป็นคฤหั์อาจบำรุงปฏิบัติมารดาบิดาแต่พระศาสดาตรัสว่าแม้เป็นบรรพชิตก็ทำอุปการะแกมารดาบิดาได้ถ้าเราไม่ได้มาเฝ้าพระศาสดาก่อนแล้วไปพึ่งเสื่อมจากบรรพชาเห็นปานนี้ก็บัดนี้เราไม่ต้องศึกเป็นคฤหัตเป็นบรรพชิตอยู่นี่แหละจักบำรุงมารดาบิดา ภิกษุนั้นถวายบังคมพระาศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับพัตตาหารและยาคูที่ได้ด้วยสลากเป็นภิกษุอยู่ป่าสิบสองปีได้เป็นเหมือนถึงความเป็นผู้พ่ายแพ้แล้วภิกษุนั้นเข้าไปในกรุงสาวัตถีแต่เช้าทีเดียวคิดว่าเราจะรับข้าวยาคูก่อนหรือไปหามานดาบิดาก่อนแล้วคิดว่า การมีมือเปล่าไปสู่สำนักคนกำพร้าไม่สมควรจึงถือเอายาคูไปสู่ประตูเรือนเก่าของมารดาบิดาเหล่านั้นมารดาบิดาของท่านเที่ยวขอยาคูแล้วเข้าอาศัยริมฝาเรือนคนอื่นนั่งอยู่ภิกษุนั้นเข้าไปใกล้แล้วได้เห็นมารดาบิดาพูดถึงความเป็นคนกำพร้าเข็นใจก็มีความโศกเกิดขึ้น มีน้ำตาน้องหน้ายืนอยู่ในที่ใกล้ๆมารดาบิดาทั้งสองนั้นมารดาบิดาแม้เห็นท่านแล้วก็จําไม่ได้มารดาของภิกษุนั้นสําคัญว่าภิกษุนั้นจัดยืนเพื่อพิกขาจารย์จึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันอันควรถวายพระผู้เป็นเจ้าไม่มีนิมนต์โปรดศัตว์ข้างหน้าเถิด ภิกษุนั้นได้ฟังคำของมารดาก็เกิดความโศกเป็นกำลังมีน้ำตานองหน้ายืนอยู่ตรงนั้นเองเพราะได้รับความเศร้าใจแม้มารดากล่าวเช่นนั้นสองครั้งสามครั้งก็ยังยืนอยู่นั่นเองลำดับนั้นบิดาของภิกษุนั้นพูดกับมารดาว่าจงไปดูนั่นบุตรของเราทั้งสองหรือหนอ นางลุกขึ้นแล้วไปใกล้ภิกษุนั้นแลดูก็จำได้จึงหมอบลงคร่ำครวญแทบเท้าแห่งภิกษุผู้เป็นบุตรปายบิดาไปบ้างก็ร้องไห้ตรงที่นั้นเหมือนกันน่าสงสารเหลือเกินฝ่ายภิกษุนั้นเห็นมารดาบิดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ภิกษุนั้นกลั้นความโศกแล้วกล่าวว่าท่านทั้งสองอย่าคิดเลย อาตมาจาักเลี้ยงดูท่านให้ผาสุขยังมารดาบิดาให้อุ่นใจแล้วให้ดื่มยาคูให้นั่งพักในที่ควรส่วนหนึ่งนำภิกษุอาหารมาอีกให้มารดาบิดาบริโภคและแสวงหาภิกษาเพื่อตนไปสู่สำนักมารดาบิดาถามเรื่องพัฒตาหารอีกได้รับตอบว่าไม่บริโภคจึงบริโภคเอง แล้วให้มารดาบิดาอยู่ในที่ควรแห่งหนึ่งภิกษุนั้นได้ปฏิบัติมารดาบิดาทั้งสองโดยธรรมนองนี้ตั้งแต่นั้นมาแม้พัทที่เกิดในปักเป็นต้นที่ตนได้มาก็ให้แก่มารดาบิดาตนเองเที่ยวพิกษาจารได้มาถึงบริโภคเมื่อไม่ได้ก็ไม่บริโภคได้ผ้าจําพรรษาก็ตาม ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นอดีเรกลาบก็ตามก็ให้แก่มารดาบิดาจักย้อมผ้าเก่าๆที่มารดาบิดานุ่งห่มแล้วเย็บ ป, ปูนุ่งห่มเองก็วันที่พิสุนั้นได้อาหารมีน้อยวันวันที่ไม่ได้มีมากกว่าผ้านุ่งผ้าห่มของภิษุนั้นเศร้าหมองเต็มทีเมื่อภิสุนั้นปฏิบัติมารดาบิดา ต่อมาก็เป็นผู้สู้ผอมเศร้ามองไม่ผ่องใสกายเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นมีตัวดาดไปด้วยเส้นเอ็นครั้งนั้นเราภิกษุที่เป็นเพื่อนเห็นเพื่อนคบกันมาเห็นภิกษุนั้นจึงถามว่าอาวุโสแต่กรสรีระวั น, นะของเธองามสดใสแต่บัดนี้เธอสู้ผอมเศร้ามองไม่ผ่องใสกายเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นมีตัวดาดไปด้วยเส้นเอ็น พยาธิเกิดขึ้นแก่เธอหรือภิกษุนั้นตอบว่าอาวุโสข้าพเจ้าไม่มีพยาติแต่มีความกังวลและบอกประพฤติเหตุนั้นภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าววา่าอาวุโสพระศาสดาไม่ประทานอนุญาตเพื่อยังของที่เขาให้ด้วยศรัทธาให้ตกไปก็ท่านถือเอาของที่เขาให้ด้วยศรัทธามาให้แก่เราขรรค ทำกิจไม่สมควรภิกษุนั้นได้ฟังถ้อยคําของภิกษุเหล่านั้นก็ละอายทอดทิ้งมาตาปิตุปัฏฐานกิจเสียภิกษุเหล่านั้นยังไม่พอใจแม้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้จึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุชื่อนุอน้นยังของที่เขาให้ด้วยศรัทธาให้ตกไป เลี้ยงดูคฤหัตพระศาสดาตรัสเรียกภิกษุนั้นมาตรัสถามว่าภิกษุได้ยินว่าเธอถือเอาศรัท ธ, ธาไทยไปเลี้ยงคฤหัตจริงหรือเมื่อภิกษุนั้นกราบทูลรับว่าจริงพระเจ้าค่าเมื่อทรงใครจะสรรเสริญการกระทำของภิกษุนั้นและทรงใครจะประกาศบุพพจริยาของพระองค์จึงตรัสถามว่า ภิกษุเมื่อเธอเลี้ยงดูเหล่าครือหัดเลี้ยงดูครือหัดเหล่าไหนภิกษุนั้นกราบทูลว่ามารดาบิดาของข้าพระองค์พระเจ้าค่าเพื่อจะยังความอุตสาหะให้เกิดแก่ภิกษุนั้นพระศาสดาได้ทรงประทานสาธุการสามครั้งว่าสาธุสาธุสา ธ, สาธุและตรัสว่าเธอดำรงอยู่ในทางที่เราดำเนินแล้ว แม่เราเมื่อประพฤติบุพพจริยาก็ได้บำรุงเลี้ยงมารดาบิดาภิกษุนั้นกลับได้ความเบาใจลำดับนั้นเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนให้ทรงประกาศบุพพจริยาพระศาสดาจึงทรงนำอดีตนิทานมาสแสดงดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายในอดีตกาลณนะที่ไม่ไกลแต่กรุงพารณสี มีบ้านนายพรานบ้านหนึ่งริมฝั่งในแห่งแม่น้ำและมีบ้านนายพรานอีกบ้านหนึ่งริมฝั่งนอกแห่งแม่น้ำในบ้านแห่งหนึ่งแห่งหนึ่งมีตระกูลประมาณ500ตระกูลนายพรานผู้เป็นใหญ่สองคนในบ้านทั้งสองเป็นสหายกันในเวลาที่ยังหนุ่มอยู่เขาได้ทำกติกาสัญญากันอย่างนี้ว่าถ้าข้างหนึ่งมีธิดาข้างหนึ่งมีบุตร เราจะทำอาวาหะวิวาหะมงคลแก่บุตรธิดาเหล่านั้นลำดับนั้นในเรือนของนายพรานผู้เป็นใหญ่ในบ้านริมฝั่งนี้คลอดบุตรมารดาบิดาให้ชื่อว่าทุกุลกุมารเพราะกุมาร น, นั้นอั ญ, ญาตทั้งหลายรองรับด้วยทุกุลพัรในขณะเกิดในเรือนของนายพรานผู้เป็นใหญ่อีคนหนึ่งคลอดธิดามารดาบิดาให้ชื่อว่า ปาริกากุมารีเพราะนางเกิดฝั่งโน้นกุมารกุมารีทั้งสองนี้รูปงามหน้าเลื่อมใสมีผิวพรรณดังทองคำแม้เกิดในสกุลนายพรานก็ไม่ทำปานาติบาตการต่อมาเมื่อทุกกุลละกุมารมีอายุได้สิบหกปีมารดาบิดาพูดว่าจะนำกุมาริกามาเพื่อเจ้า แต่ทุกุลกุมารมาแต่พรหมโลกเป็นสัตว์บริสุทธิ์จึงปิดหูทั้งสองกล่าวว่าข้าแต่คุณพ่อคุณแม่ฉันไม่ต้องการอยู่ครองเรือนโปรดอย่าได้พูดอย่างนี้แม้มารดาบิดาพูดอยู่ถึงสองครั้งสามครั้งก็ไม่ปรารถนาะปายปาริกากุมารีแม่มารดาบิดาพูดว่าแน่แม่บุตรของสหายเรามีอยู่ เขามีรูปงานหน้าเลื่อมใสมีผิวพันธ์ดังทองคำเราจะให้ลูกแก่เขานางปาริกาก็กล่าวห้ามอย่างเดียวกันแล้วปิดหูทั้งสองเสียเพราะนางมาแต่พรหมโลกเป็นสัตว์บริสุทธิ์ในคราวนั้นทุกูลักุมารทรงเขารับไปถึงนางปาริกาว่าถ้าปาริกามีความต้องการด้วยเมถุนธรรมก็จงไปสู่เรือนของบุคคลอื่น ฉันไม่มีความพอใจในเมถุนแม่นางปาริกาก็ทรงข่าวลับไปถึงทุกุลและกุมารเหมือนกันแต่มารดาบิดาได้กระทำอาวาหะวิวาหะมงคลแกกุมารกุมารีทั้งสองผู้ไม่ปรารถนาเรื่องประเวณีเลยเขาทั้งสองมิได้อย่างลงสู่สมุดคือกิเลสอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ฉะนั้น ฝ่ายทุกุลกุมารไม่ค่าปลาหรือเนื้อโดยที่สุดแม้เนื้อที่บุคคล น, นำมาก็ไม่ขายลำดับนั้นมารดาบิดาพูดกับเขาว่าแน่ αι, พ่อเจ้าเกิดในสกุลนายพรานไม่ประถนาอยู่ครองเรือนไม่ทาการฆ่าสัตว์เจ้าจากทำอะไรทุกุลกุมารกล่าวตอบอย่างนี้ว่าถ้าแต่คุณพ่อคุณแม่เมื่อท่านทั้งสองอนุญาต เราทั้งสองก็จักบวชมารดาบิดาได้ฟังดังนั้นจึงอนุญาตว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าทั้งสองจงบวชเถิดทุกกุลกุมารและปาริกากุมารีก็ยินดีร่าเริงไหว้มารดาบิดาแล้วออกจากบ้านเข้าสู่หิมมวันตะประเทศทางฝั่งแม่น้ำคงคาโดยลำดับ ถึงที่ซึ่งแม่น้ำมิขสะส ม, มตาไหลจากหิมวันตะประเทศมาบรรจบแม่น้ำคงคาและแม่น้ำคงคามุ่งตรงแม่น้ำมิขสัมมตา